เหนื่อยหาใจแับๆกลืนอยู่ม้าชั น, นต้องคอยให้ยากระจายแล้วก่อนเวลานี้ยังดีกว่าเวลาก่อนเทส์นะในนั่นแหะเพราะยาเนี้ยเข้าไปแทนที่เทศส์โซนองแล้วมันจะเหน่อยมันกลับไม่เหนื่อยนะก่อนเทส์เหนื่อยมากกว่ามันเป็นอะไรมือโอ้ยาจะเป็นเหนื่อยภายในอึ่งๆกลืน แล้ววาดภาพดูก็ก็อย่างที่ว่านี่นะวาดภาพดูภาษาวกความเป็นอยู่ของภาษาวกท่านท่านอยู่ท่านบำเพ็ญปัจจุบันนี้ก็อย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์พาอยู่เนี่ยไปอยู่ไหนท่านท่านหาอยู่อย่างนั้นนี่คือเป็นความสวะสบายระหว่างขันกับจิตที่อยู่กลางมันอยู่มเมื่อสิ้นไปแล้วนะ ถ้ายังไม่สิ้งก็สะดวกสบายในการปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญเท่าที่ผมสื่อทราบท่านตยูที่ไหนท่านแบบเดียวที่ท่านเคยปฏิบัติเรื่อยมาชอบสงบเทาไหร่อาหารการกบฉันถ้าไม่มาถือเป็นอารมณ์นะมีอะไรก็ตามพอฉันยังชีได้เป็นไปวันหนึ่งวนะันหนึ่งท่านพอแล้วอาหาร ถ้าว่าเราจะเรียบอาหารของท่านกับของพวกเราโอหมันเป็นคนละโลกเลยเราอยู่กับท่านก็เคยอยู่มาตุ้แห่งนี้เป็นยังไงอาหารไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าใครองค์ไหนคิดว่านะจะเป็นอย่างนั้นอย่างเรานี่มันไม่มีอะไรเลยกับอาหารย่างชีวิตนี่เป็นไปพ่อโน่นน่ะคิดไม่ยู่กับทำโน่นน่ะมันไม่อยู่กับสิ่นงนี้พุทธาขาดแค้นแล้วไม่สนใจเลย พอพอเพราะเพราะมีลมหายใจถึกเท่านั้นแหละเพรเห็นนี้เองมันถึงเลยหาที่อย่างที่ว่าหาที่เด็ด ก, การกินก็เด็กฟันแจะเข้าเปล่ามันเคยยิ่งกว่าเคยเราแล้วนอกจากนั้นยังไม่กินอีกเนี่ลําบากนั้นถนะ้าเราจะเทียบถึงพระไอคีต้องนอเนี่แ ชีวิตกรารวาก็ยากไปแบบหนึ่งแต่แต่ไม่เห็นมีจุดเด่นไม่เด่นเรียนหนังสือก็เอาจนกระขั่งค้นสมองทื่อร่างกายคลายเราจะว่าเราจะเป็นว่าเราจะเป็นบ้าเพราะไม่หนักไม่นอนมันกระทือสมองข้อความจําก็ได้เท่านั้นอันนี้มันมันไม่หนักหน่วงทวงลงไปถึงความรู้ที่เป็นองค์อริยสัจจริงจริงอันนี้เรียวกว่าจะลืมไม่ได้ว่างั้นเลย การประกอบหรือการทําบนเพียงเพ่อสังหารที่เล่มันขนาดนั้นไมันเป็นมันเป็นติดหรือเป็นงานที่เด่นมากที่สุดงานค่าคดเล่ในชีวิตต้องเราเนี่ยมันชัดอยู่ตลอดนี่แกวอยู่นั่นไงบางย้อนไปข้างหลังนี่โอ้ยน่ากลัวหนิจะทำไงมันเป็นจริงคือถ้าขันทุกวันนี่มันไม่เอาไหนแล้วพินิจิตมันก็ไม่เอาไหนอย่างความมุ่งมั่นนี่ ทุกวันนี่ผมมันไม่มีก็บอกไม่มีความเพียรหรือไม่มีก็บอกว่ามีชุกวันจะเอาความเพียรมาจากไหนแตเพียรรักษาธาตุขันธ์ได้พอเลยเนี่ยงคกรไม่เป็นอย่างนั้นสิความมุ่งมั่นมันเกิดล้นหัวใจนู่นะ่ะไม่งั้นมันจะไปกําลังของความเพียรมันจะไปกล้าได้ออยังไงคือความมุ่งมัน่นเนี่ยเป็นแม่เลยสาคัญนะดึงดูดไม่ใช่ความมุ่งมัน่นธรรมดาซะด้วย จะให้เป็นเขจะว่าบ้าก็บ้าแล้วหุบในวงเราเองนี่จะว่าบ้าก็บ้าบ้ า, บาหลาน <c oughs> ก็มันมุ่งกัหัานนี่ให้เป็นประหลานเท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาทั้งหมดอย่างไรก็ตามเป็นก็ตัมแต่ตามจะขอให้ได้เป็นประหลานเท่านั้นนีเ่เงินแน่ใจในทําทั้งหลายแล้วปัญหาพ่อแม่กูญแจมั่นนี่ท่านเหมือนกับว่าถอดออกมานี้หนักเห็นไหมไตาบอดอยู่ดึง <c oughs> เหมือนก็บท่านเลด้ท่านจับไว้เราไว้แล้วแต่เราจะไม่ไปหาท่าน ความรู้สึกงเราที่คิดได้ไงท่านออกมาประกาศในตรงนั้นหมดเลยโดยที่ไม่ต้องถามเรานี่สิมาเป็นอย่นั้นมันถึงใจกับท่านแล้วทําไมมันจะไม่ถึงธรรมฟังแล้วโอ้โหโอ้โหโลงลงใจนั้นลงขนาดนั้นโอ้โหโ อ, โอ้ โ, อโหอัศจรรย์โอ้โหหลวงพ่อพุทธิพานนี้นมัดปัญหาไปเลยวะยังมีหรือไม่มีท่านประกาศตัางๆมาจากนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นด้ือท่านเราแม้ยีเดชไม่สิ้นมันก็เห็นได้วยท่านใในอริยสัจ การตัง้งตัง้งเหมนเหมือ น, นด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมอืมตู้กระตาไม่แต่ก็เลยท่านถามมันฟังแล้วมัถึงใจว่าถึงใจแล้วนี่ความมุ่งมั่นที่ความหวังในเรื่องพระโพธิมีภาน ท, ที่เรามีอยู่แล้วแต่มันเจือไปด้วยความสงสยงัยนี่ความสงสัยนั้นมันขาดสะบ้านไปหมดทั้ ง, งที่มีกิเลสอยู่นะมันขาดไปหมดเรื่องสงสัยว่าพระโพธิมีภาม่ด้วย ต้องลงในจุดที่ว่ามีที่จุดเดียวหมดเลยทีนี้เอาล่ะนั่นคือความมุ่งมั่นจะเป็นพระรหัสนั่นแน่นเดียวไอ้มันหมดไปแล้วความเพียรนั้นกุมันดึงความเพียรในหมดและทุกสิ่งทุกอย่างการประกอบเพื่อความเป็นพระรหันความมุ่งมั่นนี่ดึงไปหมดเลยมีอำนาจมากขนาดนั้นเนพะราะฉะนั้นถึงอดได้ทนได้ทดุกอย่างอะไรยู่ได้ทั้งนั้นเนี่ยขอขอหนุนขอใถึง คิดด้านหลังถ้าธรรมดาเราเราโอ้วหมันน่ากลัวยริงจริงโอ้อยนั้นทําได้ก็คิดดูที่มัน า, านั่งกระทั่งก้ น, นมันพองหมดผ้าเลอะหมดเลยฮั่นสุวานี้เป็นนั่งได้ไงเพียงนั่งชมมมั่วโมงนึงก็ได้จับขาของดึงหัวแล้วผมก็ได้พูดหมู่เพื่อนฟังเนี่ยท่าขนาอันี้น่ะเคยใช้มานั่งสักกี่ชมมมั่วโมงฟาดมันเกิดบางวานนนันตะวันยังไม่ตกจกนกระทั่งตอนโถขึนมาห ม, มันกี่ชั่วโมงฟังซิมันนั่งได้ นี้คำว่าพลิกว่าเปลี่ยนอะไรคำสัตว์คำจริงมัดไว้จนกระดิกไม่ได้เลยเรามันจริงจริงที่ใส่ใเราบอกแล้วมันไม่ได้ร่อแหลมว่าเรามันเป็นนั่นจริงแล้วบางอั น, นกับบางวันทวันไหนมันจิตมันลงยากเพราะได้เวลาที่จะออกแล้วก็ทะลุมาไหนลงยากก็มันตายหมดแล้วนี่ ก็ลยกลับลึงออกจังหวะนะที่เขาล่ากันาถ้าวันไหนมันลงง่ายลงง่ายได้เป้าได้แป้งอีวันนั้นธรรมดานะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามมันต้องการวิธีจิตว่านะจิตพิจารณานี่มันเหมือนกับคีมปากมันคมคมเนี่ยพอจับงับติดปั๊บเลยติดปั๊บเลยปัญญาพอหยั่งลงปั๊บเหมือนไ ด, ได้ความได้ความมาันมายแล้วก็พุ่งพุ่งลุกปึงลงนะปึงลงก็หมดปัญหาเวทนาอะไรจะไปเข้าครอบมันได้ กิจมันเข้าเป็นอย่างนั้นและพิจารณารอบแล้วค่อยลงค่อยลงเั้นเวลาไม่รอบที่มันฟาดกันอย่างนี้มันพบตรงนั้นวันไหนมันพิจารณายากมันมีถ้าเรับพิจารณาเรื่องลมฟ้าอากาศนี้มีส่วนช่วยเหลืออยู่มากนะผมมีสังเกตเวลาผมนั่งภาวนาตลอดลุ่มถ้าวันไหนอากาศร้อนๆโหววันนั้นยากมากนะ เที่ยงคืนยังลงกันไม่ได้เลยท่า น, นที่มันถึิ่งบอกบอกคํามากว่าตแต่หัวคํานดินมาทั่งเที่ยงคืนยังลงกันไม่ได้เลยอเ น, นี่ยเกี่ยวกรื่องอากาศอ่ะถ้าวันไหนไทยมีฝนคําโอโ้โหวันนั้นน่ะเย็นมีแล้วหนาวหน่อยเย็นๆนหน่อยเอาละ่ะจับติด ป, ป, ป, ป, ปั๊บ ป, ป, ปั๊บปั๊บปั๊บพุ่งเขียวปับพุ่งว่า ได้เวลาที่จะออกนี่ลูกมาธรรมดาเลยเหมือนกับเรานั่งภาวนาธรรมดาเวลาเท่ากันนะเรานั่งภรราวนาทั้งทั้งเวลาเท่ากันแต่แตความบอบช้ำของร่างกายผิดกันเนื่องจากกิดพาให้ผิดกิดลงยากบอบช้ำร่างกายมากกินลงง่ายร่างกายธรรมดาไม่เห็นบอบช้ำอะไรโอเหมือนกระดูกแค่แตกนนะ มันทําได้อ่ะฟังสิทุกวันันมันทําได้แอ่นั่งชั่วโมงเดียวนั่งภาวนาทุกวันผมนั่งในนานเมื่อไหร่มันมันเป็นท่าก็บอกว่าเป็นท่านี่ชั่วโงนี้ชั่วโงกว่านิดหน่อยออกลุกออกมาได้แล้วนะต้องไปรับขาดึงอกทุกวันก็ไม่เห็นเจ็บเห็นปวดนะเวลานั่งภาวนานี่ยมันเป็นไม่ได้อย่างไงนั่งขัดสมันภาวนา พอถึงเวาออกมามันออกมาได้มันแต่มันไม่ถึงกับมันตายนะมันชาหมดไม่ถึงว่ามันตายอย่างที่เรานั่งตลอดดูนะนนั้นมันตายจริงๆมันอย่าี้ยมันตัดขาไปเลยมันก็ไปเลยไม่มีเจ็บมีปวดหล้วมันมันหมดจริงๆอันนั้นมันตายขนาดนั้นอันนี้มันไม่ตายมันชาแล้วตับขากอรไกนวางมันจะช้างมันคือมันเหยียดออกไม่ได้ทุกวันนี่ ไม่นานนะข า, น า, ขานเนี่ยสําคัญข้างขวาเนี่ยตอนจับขาดึงมาวางแล้วทีนี้เดือดลมค่อยไปแล้วกความชาก็ค่อยจางไปจางไปนีแล้วก็เราก็ลุกไปแล้วถ้าเราจะลุกออกทําเราลุกออกก็นั่งนั่งเชียรนี่เห็นถ้านนั่งมันกเน็เป็นเป็นไปด้ทุกวันนมันจะมันไม่น่ากลัวยอย่เลยหมัยที่เราพัก คิดแพงเหรอมันเป็นจิตใจที่ผาดโผนมากมันไม่ใช่ธรรมดามัังไม่ไมอย่างขนาดนั้นรังอย่างแรงกล้ามีเรือเอาตามอบเลยนี่มันเป็ น, น, น, นาายานะพามันจะไม่รุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผาดโผนลงด้าชีวิตเขาแรกเลย ขนาดนั้นแล้วูคที่นึ่งปฏิประทาการดำเนินเรามปนมาเด่นเวลาออกปฏิบัติเนเด่นออกจริงๆเรียนหนังสือก็ธรรมดาไม่เห็นทุกข้ากลำบากขนาดไหนปวดมากก็เรียนออกงา น, นก็ออกปฏิบัติ ชีวิตของผ้าไม่มีเท่านั้นอนี้นพูดทํานี้ว่าในช่วงเก้าปีที่เราฟาด ก, กับกิเลสมันหม่มันเหมือนกับว่าไม่เหมือนกับตามี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนอย่างนั้นนะ่ะหูมีก็ไม่ได้ใช้ไปใช้ดูนั่นดูนี่สิ่งที่จะเป็นภัยนั้นมันตัดไปขนาดนั้นนะไม่ยอมดูหินมันจะยากขนาดไห น, นก็รู้แล้วกิเลส มันอยากอะไรอมันฟัดกันอย่างนั้นนะ่ะอยากฟังก็ไม่ยอมฟังนู่นนะเพราะฉะนั้นถือว่าอะไรดูอะไรตั้งอะไรมันไม่เต็มหูเต็มตาย่างบอกหรือมันมีสิ่งที่จะคอยกําเริบคอยสังหารเราอยู่ตลอดก็เราจะไปเปิดโอกาสให้มันสังหารนล้วก็มันจะฆ่าเราจะฆ่ามันอยู่แล้วนี่นั่นถือว่าไม่ลืมไม่ได้ลืม ห, มลมหูลืมตาเต็มไม่ต็มหน่อยย่งนีน ายาที่มันใช้มันเป็นไทยหนักนะในช่วงอเก้าปีที่ว่าเก้าปี เ, ปเต็มหนักมากีอาการที่หนักมากหนักตรงอี้หลังจากนั้นมาแล้วเราก็าาาาาาานเริ่มดอนผ่อนพันไปได้เช่นอย่างอาหารนั่งนี้เรตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมก็ไม่ไดอ่น นอกจากว่ามันไหนไม่สบายไม่ฉันเฉยอนั้นก็ไม่ใช่เราแกล้งอดเพื่อความเพื่อความเพียนอะไรเราอดเราไม่ฉันเฉยนะถ้าฉันไม่ดีวันนี้ไม่ฉันแล้วเนี่ยแต่เย็นในวันนี้ก็ยังมีเห็อย่างโลกหัวใจก็เรื่ององมากบางทีผมไม่มาหรือไม่ลงมาในวันไม่ฉันมีอยู่นี่อยู่เฉยอนี้ไม่สบายเราไม่อยู่ี่พายุในวันมันฉันมันสบายอยาไปอยู่เนี่ย ก็รูปมันอยู่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นความเพียรด้วยการอดอาหารเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันเอานี้มาดูมันห่อกวันนานอย่างนี้มีอย่างนี้มาดูมันเคยดูมัน ทั้งพุกาท่านก็ บ, บอกปฏิวัติสีนี่ก็ปฏิวัตานี่ก็ออกจากนิสัยของผู้บำเพ็ญนั่นเองอุปนิสัยของสัตว์โลกคุณยง่ายเป็นเป็นธระสุขาปฏิปทาที่ปราดิมยาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้เร็วเนี่ยก็พวกปกติกันอยู่นั่นเองจะเป็นพวกไหนสุขาปฏิปทาที่ปาดินยานคือปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว ทุกข้าวปฏิปทาที่ปัปญญาปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนะคือลําบากก็จริงแต่รู้ได้เร็วอันนี้มาอีกสองปฏิปทาหลังนะเจ้ทุกข้าวปฏิปฏาทาธัรมาปัญญาทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้าแล้วอะไรอีกผมก็ลืมไปแหละนนนอยูันคืน ขาซุกเขาดีวธากันท า, ทาเป็นใหญ่ยังไงปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าทนะั้ทงปฏิบัติลำบ า, ากแต่รู้ได้ได้ช้าของมันมันเป็นพักเป็นสีนั่นนะผมลืมลเนี่ยนานไม่มันก็มีประฏิวธาสิสีอันนี้ผู้บำเพ็ญก็บมิสัยกับอยู่กับแต่ละคนแต่ลคนจะเหมือนจะผิดกันอะไรกับมิสัยของสัตว์โลกทั้งทั่วๆไปผู้ชายผู้เดียว ก็มีอย่างนั้นยอย่า ง, ง น, น, างงนั้นก็เหมือนตามน้ะเดื่อนก็มีอยู่ดึกก็มีรานีปตายบอกเเรียนอย่า ง, งนีนนงง้นไม่ถอย น, นในในเวลาบำเพ็ญที่ประเด็นอีกทีหนึ่งก็คือคิดเสือ่อมอันนี้ก็ลืมไม่ได้นะ มันจึงเป็นร้อนน่นังาจิดเสื่อมเหมือนฟืนเหมือนไฟมันเคยได้ความสงบเย็นสบายมันไม่ได้ทุกข์จริงๆนะเพราะอันทีได้เขียนได้หลามับวัดกันลงถึงไม่หนาดที่ว่าต้องถ้าจิตเสื่อมก็ต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นู่นน่ะมันเข็มอย่างนั้นมันถึงเหมือนนักโทษมหารตัดโทษมันบังคับกัน เพราะมันเข็ดเมื่อจิตได้เป็นขึ้นข้างหลังนี่แนะม้วันถอยไม่ได้นี่เผอไม่ได้มันเข็ดเมื่อมันปฏิบัติแล้วมันรู้ยังไงมันเป็นงไงมันพูดได้คนเราเราเราว่าพูดอย่างนี้ก็เราทำได้แช่ไหนแล้วก็พูดตามเรื่องแล้วก็ยังพูดได้อยู่บ้างเนี่ย จะพูดเรื่องการที่อันี้เป็นเรื่องจิตความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์เป็นยังไงไดีคือมันสุดเอื้อมถ้าธรรมดาเราคุายอย่างนัมันสุดเอื้อมที่จะไคาดแตเราไม่มีอะไรถูกเลยถ้ามันไม่เป็นก็นจะเอยงยังไม่เหมือนอะไรเลยเนี่ยรู้ๆอยู่นี่ยะความรู้อันนี้แหละที่เรารู้กันอยู่นี่แหละแความรู้นี้มันคลุกข้าวกัน จนไม่เห็นตัวลู่รู่อะไรเป็นลู่กิเลสลู่ลู่ลู่กิเลสลู่ลู่เป็นลูกลู่เพื่อรักลู่เพื่อชังลู่เพื่อความรังรู่เพื่อความชังรู้เพื่อความโกรธลู่เพื่อความเกลียตไปนั้นน่ะความรู้เนี่ยมันไม่ใช่รู้โดยธรรมดาของมันได้สักทีนี่มันรู้ด้วยวิธีรู้ด้วยนั้นด้ยนั้นซึ่งเป็นเรื่องกี่ทั้งมวลนั่นมันทีมันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงความรู้นั่นไมมีอะไรเลยทั้งนี้อะไรเข้าไปเกี่ยวพันเลยคือที่ว่าสมมติว่างั้นหน่อยหนึ่บางข้ามมันเป็น ให้เป็นางมันก็เป็นฐานะเนี่ยถึเวลามันเป็นอยู่อย่างด้วยการค้าเข้าหรือคูกเข้ากันอย่างที่เราพูดหรืออย่นี้รู้ไปด้วยนั้นร wow. ู้ไปดนี้รู้ไปด้วยกาล่าสังมันก็เป็นฐานะเมื่อมันยังไม่ผ่านแล้วมันก็เป็นฐานะที่ใครเป็นอย่างนั้นเป็นไม่ได้เนี่ยพอพลิกจากนี้ไปแล้วจะให้มาเป็นอย่างนี้อีกมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยมันเป็นฐานะอีกแหละมันไม่มีอะไรเหมือนอ่าอันทำแยกมาถูกสมมติกับ เขาบอกว่าได้แต่ความเลื่อยความประเสริฐทนั้นแต่องค์ท่านเองท่านท่านไม่เสกหนาคือไม่มีอะไรที่จะพอดีพอดียิ่งกว่าธรรมชาตินั่นพูดง่ายเอ้าอะไรพะเจ้าอาบมาหเลยเฉี่ยนันพูดไม่ถูกเลยสักอย่างคือหาที่จะหีนิดเอาไว้ั้งาไม่ได้ เป็นหลับธรรมชาติเองไม่ได้เนี่เราที่มีกิเลสไม่เป็นงั้นนะพอปั๊มเนี่ยมันจะมันจะวาดภาพแล้ว ม, มันวาดภาพเครื่องเสือมันมีเพรามเลยหระอเพอตัณว่าอะไรปัม้มเครื่องผีบริสุทธิ์คงจะจบงั้นงั้นแล้วแหละนะปั๊มเลย พานางประมังสุ ข, ขังนนี้ผานนี่ก็อย่างนั้นอย่งนผมเห็นในนั้นขื่อก่อนแต่ผมไม่ระบุใครผู้แต่งก็ทางถึงไแม่คีเอาไปทุนนีก็จะไม่ละให้ทา่ท า, นท า, า, ททานให้ท่านเซ็นรับประหัตท่านไ้เหมือนก็เป็นเครื่องยืนยันรับรองแม่คีคนนี้ทา่านจะฉลาดท่านก็ไม่เซ็นจะให้ท่านวา ยังอ่านแล้วมันก็รู้แล้วมันมืนบ้าแล้วน่คือนรับองบ้าเซได้อยู่ท น, นว่าถาพกลางเป็นนั้นาถาพกลาง น, นี้ผมได้อ่านูแล้วว่าถากลางิพพ น, น, นเป็นๆๆนั้นนอๆงี้ว่าถานกานลางอย่างนี้ผมได้อ่าน มันไม่ ม, ม, ไมีอยู่ที่ใครอ๋อผู้สันลู้นิพพานนั่นก็ถือหลัสองเรือแม้แต่ผู้ยังไม่รู้นิพพา น, น, นมันก็ขัดแวธรรมชาติขัดธรรมชาตินี้ทีนี้มันก็หาคนดีไม่ได้จากหนังสืออย่างนั้นพวกผู้ผู้ต่ำร่างา น, นจะริญอาจะเป็นหลักนี่ก็รักผิดซะหน่ะ ก็ผิดเลยก็ไม่สร้างเจ้อะไรท่านผู้ยงสูานั้นนมองไม่เห็นความบ้าแต่ของคุณนั้นอีก่ที่ไหก็ไม่ทราวิวอะไรเขาพูดไดแคนั้นะว่าผ่าศูนย์กลางผโอ้ผมอ่านเองนะอ่านจนจบบันฑตได้กล้าพูดไที่เขียนเปแม่ที ไม่มีอะไรเหมือนหรืว่าโลกุระธรรมสุความบสุมมีเราจะหาทีหนทําเดโลกฐานอาจวหานะจะทั้งก็ไม่หาจะหาอะไถ้าไม่หลงก็จะหาเลเวลาพูดพวกพวกเราพูดแบบความหลงถ้าจะหาอะไรมาเที่ยงก็ไม่มีอะไรเหมือนเนี่านจะไปหาเกี่ยงอะไร หาบ้าอะไรอยู่ไก็นั่นแล้วยังหาอีกมันจะหาอะไรมาเที่ยงมันก็บ้าอยู่นะใจไหมมันมันพร้อมแล้วทุกอย่างสมบูรณ์จนคือแล้วมันจะหาอะไรมามาเที่ยงเนะมีเท่านั้นเองผมพูดตรงนี้ผมเปนอาจารย์หลวงพ่ที่เจ้าอ่อาจรย์จริ ถึงใจเลยนี่นะมันทั้งได้พูดอยู่มันไม่ทรงรับแนะนำจากผู้ใดเลยเออธรรมชาตินี้ไม่ทรงไปรู้สิ่งเหลนี้ได้จนถึงขันข้นขั้นสัดาเอกเนี่ยจริงมันไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใดเลยแล้วทรงรู้จะจงหมดที่เขานำมาสอนนั้น ให้มีไหนที่ไหนมิชาในโลกนี้มีที่ไหนมาสอนกันได้มีศัสดางองค์เอกองค์เดียวเท่านั้นสอนพุทศาสนาเรานี่อันนี้ทีไรตำนานก็ังไม่เท่าไหร่นะเพียง่าผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันชัดเองชัดเจนเลความรู้ในภางปฏิบัติพิสดารมาก ในตำราทั้งหมเหมือนกับว่าเอามาเป็นเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวอะไนั้คูล่าคูปฏิบัติมันแตกแขนงจริงๆไม่เคยรู้รู้ไม่เคยเห็น่าง ม, มีขึ้นมาอย่างงั้นเป็นขนนั้นแขนงนั้นขนแขนงใหญ่ขันแขนง ย, ย, ย่อยๆไปเรอยความละเอียดของขีดของทำขนาดนั้นยังไงแล้วเอามาพูดได้หมดสอนโลกแต่ทั้งการสอนที่จุดจุดนี้พอประมาณแปดหมื่นสี่พันไม่ตมาขันไม่ได้มากไม่อะไรเลยนะ ท, ที่เป็นในในวงปฏิบัติของกิจที่คิดตพวนาเป็นในเช่นนเป็นในผู้ทีเจ้าเสื่อมวงศาสดาที่เป็นต้นศาสนาเสื่อเนี่ยจะ ก, กว้างขนาดไหนหรือขนาดไหนฟังดิภูมิของเรียกว่าพุทธวิสคุภูศาสดาแต่นั้นไหนก็เป็นสาวกตัวนี้เนะีว่าได้ยินได้ฟังก่อนแนะนําแนววิธีการด้วยกันพอ พอจำวิธีการนี้ได้เท่านี้มันก็ค่อยรู้ค่อยลามไปเรื่อยเรื่อยถ้าเป็นไปเราดิความรู้กค่อยแตกขนังไปจนกระทั่งถึงกิเลสสิน้นแต่ละที่ความรู้แตกขนังไปยังไงเวลาสู้กับกิเลสมันก็มันก็รู้กันอยู่แล้วว่าวิธีต่อสู้กันหรืออุบายวิธีการที่ลบหนีปิดตัวนื้ ต่อสู้กันนั้นเป็นยังไงอยาจะไปะหาในตำราได้งไง<ม>หาไม่ทันขั้นนี้ต้องเป็นขั้นภาวนาเมญปัญญาขั้นที่รวดเร็วขั้นที่คล่องตัวขั้นที่รวดเร็ว อ, อย่างให้ปริยัท่านก็แสดงว่านะว่าภาวนามัญญปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาร้วนๆนั่ น, นขั้นก็พูดไวเพียงเท่านั้น เมือ่อไม่เป็นเราก็จะไปบัญญาได้อย่างไรอย่างสุดตามัจยปัญญาคือปัญญาเนี่เกิดขึ้นจากการได้ยนินได้ฟังเนี่ยพอใครได้ใครอ่านเข้าไปมันก็เข้าใจยินตามัยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการที่อ่านใจตรองนี่มันก็พอเข้าใจภาวนามยปัญญาีิดีไม่ดีเป็นลบทิ้งหมดเลยอ่าศาสตสมัยวิทยานี่เป็นไปได้นะภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นรากแก้วของสของจีิงของธรรมจริงตรงเนี้ย ที่จะขุดคนท่านได้ขึ้นมาทั้งหลักแจรักไหวภาวนาม่ใชปัญญาเป็นเป็นค่ากิเลสโดยตรงโดยตรงไม่ต้องบอก่าอ้อมเลยปัญญาเพื่อนนี่ค่าอย่างสะบั้นทันแหลยนี่อนี้พุทมัินัยภาวนาที่ไม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นโมฆะอะไรหรือว่าใช่ไม่ได้แล้วสมัยจุฬาฯมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นของโคามันเป็นคกมันจะเป็นอย่างนั้น อันนี้นะที่ถ้ามันถ้าไม่เป็นผููไม่ได้นะภาวนามันจะปัญญาท่านต้องบอกว่าเป็นเพาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาเนนรื่อยๆก็ะทูกยนเนี่นยเมยสําเร็จท่านเลยจากการภาวนาภาวนามมยะปัญญาท่านนี้มีจะอ่านเฉยมีจะเรียนเฉยไม่ไในปฏจจบันอันนี้ก็เลยจะเป็น ทำที่คือกีฬาสมัยเรื่อทำนอกแบบไปนะคือนอกแบบนอกศาสนาไปภาวนาเนี้ยเป็นอางนีมันจะหาเรื่องว่าอุทธรณ ม, มันเขียนยังไงไปอ้าวเบ็ดไปได้นะเขาไม่มปฏิบัติมันไม่รู้จริงมันปฏิบตัติเราดูสเยียนจบไหนก็จบเพราะใครจะดูก็จบเถอะถ้าไม่จะปฏิบัติแล้วมันไม่รู้ภาวนาแล้วเปัญญาเนเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดแต่พอรู้เนี้วก็เปิดเผยที่สุดไม่มีอะไรเกินปัญญาประเภทนี้อีกแล้วนะ นี่ที่ทนี่สำคัญนะภาวนานแค่ปัญญาอันที่ได้ย้อนไปรู้ไปหมดนะภาวนามงไม่จำญาคือปัญญาที่ฆ่ากิเลสคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นนุนะ่นปัญปัญญาเหล่านั้นรวมไหลรวมเข้ามาสู่ปัญญานี้เป็นปัญญานี้พุ่งพุ่งพุ่งเรื่อยๆรืไม่เพียงอยู่ในระดับเดียวเทนะ่านั้นะความคล่องแคลวแก้วกล้าว่องไวสลับแหลมผมละเอียดละอน ไม่มีอะไรจะเปคานนาได้ของปัญญาขเขีย น, นีีท่านเขียนว่าใครจะไปเขียนในแบบนะท่านก็บอกไว้เท่านั้นในแบบบอกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นจากการพอันะขึ้นๆเท่านั้นพาณวณเนปัญญ า, า, นะนน ป, ญญาปัญญาสา ม, มเวลาไปทำหน้าที่อย่างนี้อันนี้จะเกิดขึ้นไปแล้วเป็นยังไงอ๋อ พิจารพูดไม่ถูกว่างั้นเถอะถ้าไม่เป็นแล้วพูดไม่ถูกแม้แต่เป็นยังเอานําว่าพูดไม่ถูกเพราะมานนันไม่ทันกับอันนั้นนึงไม่คําพูดถึงเรื่องความละเอียดแล้วความรวดเร็วความคล่องแคล่วอะไรนี่เหตุผลที่ไปจับไม่ทันเลยระหว่างที่เดนกับทําอับปัญญาเพรยียนนี่แ ก, กนแก้กันแก้กันแก้กันคุยเสีย่ยคุกลนหากันมีนหน่วนกันแก้กันมีหน่วยกันเร็วขนาดนั้น มองไม่ทันน้าจมองถ้าเป็นนั้งมัวก็เดียวว่ามองไม่ทันนี่จะคอยตั้งหงายหงายถุงนอกมันเร็วกันไหนผมปัญญาแชมเปี้ยนนะคล้องเข้าไปเข้าไปจนเป็นกลายเป็นมหางปัญญาไม่ได้ตั้งเป็นยี่กี่หลายวลาเป็นเองอยู่ในแต่ว่างทำเป็นอัตโนมัติเป็นเองกว่าหมุนไปเอง ไม่ต้องบังครับเห็นฟังด้วยนอกเหนนั้นแล้วยังได้รัางเอาไว้มันจะเลยเถิดคือเพลินก็จะลืมหลับลืมนอนถ้าขันเป็นเครื่องลนึก็เป็นของสมรุ้ได้เหมือนแม้แต่รถยนต์เร า, ากัะนานเครื่องมันยงร้อนมาเอันนี้ก็จะว่าบอกว่าเครื่องร้อนก็ได้ถ้าขันตอนจะพักอธิบายไว้ในตำราก็มี ถีงเวลาพักใักในสมาธิแล้วก็ออกพิจารณาทางด้านปัญญาท่านบอกชัดเจนนะเพราะอันนี้มันอยู่ในหลับดิพพาของประโยคสามนี้ด้วยนะพวกพวกพมหาที่ต้องเดผ่านทุกคนวิธีพักหยุดวิธีออกพิจารณาทางด้านปัญญาเออนวลาเรื่องความอะไร เหตุการณ์มันขึ้นกระปิดแล้วมันดืมอไปหมดนะจะพั ก, กยังไอก็ไดอย่างที่ว่าจะพักเลยเวลาตะลุมบอลได้ไงนไ เ, นนเนี่ยต้องพูดมันพูดไปงั้นเดียก็เวลากําลังชมิมบอลตะลุมบอลกันอยู่มันจะไปพักได้ไงถ้าไม่อยากตายต้องเดวก้อนนี้เรื่อยมันพักก็อยู่ก้อกนี้เลือยไม่เหมือนตะลุมบอลแล้วจะไปพักได้ไงมันจะว่างันนะคือมัอนเทินอยู่ตลอดเอาก็ก้อยู่ตลอดแต่มันก็มีจุดที่ที่ว่า พักคือว่าพอที่เลย์ตัวนี้มันหลุดลอยไปเนี่ยตอนนั้นมันว่างงานอันนี้มันไม่ว่างกิดเนี่ยธรรมชาติอันนี้มันไม่ว่าง like ไม่ว่างตัวเองคือว่าอันี้มันคุ้ยเคี่ยหานั่นนเราจะพักตอนนี้พักได้ไม่ให้<ๆ>มันไปมันคุยเคี่ยาเหนี่ยวคืองานของกิบประเภทนี้มันไม่หยิ่เฉยะเวลาทำฆ่ากันได้แล้วอันนี้ฆ่ามันนี้มันจะคุ้ย ข, ของมันเองเนี้ยค้นของมันเองเหนี่ยวรอ ข้าไม่ใช่ตอนพักเียเนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเวลาท่านอธิบายที่ต้่องสมรมะทายิปัตนาเวลาพักเวลาออกคุญแจนท่านไม่ได้บอกว่าเป็นหมายถึงภาวนาวัญญาณ น, น, นะนู่นทพิ่งนป ร, รับกันได้นู่นตอนอุชาจาริษนาสัญญัติบ่ง บ, งบนพุทธินิงส ก, กัดนุ่นอันนี้ท่านพูดถึงเรือ่องธรรมะทิปัตนาเวลาพักก็พักเวลาออกกุญแจปัญญาก็ ธรรมดาของเราปัญญาของเราธรรมดานี้มันก็เป็นอะไรอย่างท่านว่าแนะ้วเวภาพักพักคือพักภารนาเข้าสู่ความสงบภักทางด้านปัญญาเวาามไปนู่นนั่นม่นเลยหาจิตจุดจิตพักไม่ได้นะหมุ น, นติ้วติหมดสิ่งที่ย่ยแก้่ตรงนั้นมันยังไม่ปรากฏนันก็คุ้ยเขี่ยยังเป็นมันเอง หาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวอยู่นั่นถ้าพี่เดชมันเป็นตัวเรื่องตัวราวมันก็ต้องออกรับกันจนได้เน่รับพอเจอกันท่ามกับพังเนี่ยมันพูดไม่ถูกเรื่องอะไรยังไงนี่ก็ไม่รู้ไม่เก่งจะนําออกมาพูดเหมือนบ้าคนเนี่ยเราพูดหนึ่งเหมือนบ้าเลไปเจอแล้วพอพอมันเป็นกันแล้มันหมดปัญหาเองนะยอมรับนั่ะ ไม่ใช่หมดะอยอมเล่าเลยอ๋ออย่างนี้เองคืักขี่าอเรั่งเอาไว้น่นคือมันจะเลยเถิดอุตจักระคือมันเพินในการพิจารณาการต่อสู้เมื่อตะลุมบอลนี้ก็จะให้พักหนตะลุมบอล น, น่งมือกำลังฟัดกันพัยเป็นวงในกัด้วยแล้วจะแปลพัดกันหน่อยลลังนันนเอยเวลาคุยเขียงกั ะพักตอนนั้นอแต่วันนี้มันไม่พักนีเ่เยวมันเลยเถิดลั่งไม่ลืมนั่นดีเอาพุทโธไปมันเก้าพันเวลานั้นจินไม่มีสมาธิคือมันเพลินทางปัญญาสมาธิไม่มาเกี่ยวเลยเราจะว่าจิตไม่มีสมาธิก็ได้แต่ไม่ไม่มีสมาธิในขั้นนั้นนะไม่ใช่ไม่มีสมาธิเหมือนอย่างทั่วไป มันไม่สนใจสมาธิเวลาเราจะพูดกระดัดเป็นบ้างเพราะความไม่พอดีนี่ว่าก็กินไม่มีสมาธินีว่าเจออะไรวาปา้าไมีไดเดนเพินกคนเดียวพราะลังเอาไว้ใส่กันตังโวนหนักเนะเหมือนกับามาัดกันเนะ่ยไม่มันออกมัดปัญญาเอาคำวิริกรรมอัดเข้าไป พุทโาพุทโธเอาถี่ยิบไปมันออกไม่งั้นมันจะนคืองานนี้ยังไม่เสร็จเหมือนกับว่าอคู่ต่อสู้มันยืนจังกลยมามาเหมือนกับมันมันของมือเหมือนมาตอนนี้ยังจะมาพักรับเขเข้าไปได้ยังแล้วก็โดุดกันนี้มันไ้งหนายเอาพูทโธพุทโธไปถี่ยิบไมันเถื่อสติทั้งหลายเลยออกหมุนก็มาหาอันนี้หมด มหาภูตุพระเจะที่ไม่เผยพ่อเอาเข้ามานี้มันอน่านี้แต่มันมันพอใจที่จะออกน่นมากกว่าจะมาอยู่ทีพรอะพลงนี่แม่อันนี้คือสองคันคนะพอจิตสงบเข้ามาสงบเข้ามาหยุดกึก๊กีเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามกำลังวางชาความสุขความสบายนี่โอ้โหมัมนซ่านไปทุกเส้นขนถ้าเราจะพูดเส้นขนนะ ไม่ได้พักมันจะตายอย่นั่นพักที่พอถอยพราะมันควรจัดการแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าระรามือมันก็ดีผึงเลยก็เขามันออกแล้วก็ดีผึงเลยซักันตูมเลยนี่มันเหมือนกับว่ามีดที่รับหินแล้วนั่นเจ้าของผู้ฟันก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับสบายสบายแล้วเครื่องมือคือมีดเนี้ยก่อนได้รับหินแล้วฟันมันขาดไม่ท่อนนั้นแหละ ก่อนไม่าไม่สศร้าเอาทั้งสันลงเอาทั้งคมลงเอาทั้งข้างลง ต, ต, ตี ต, ตูปตับตูปตับมันก็ไม่ขาดหินไม่ได้พักเวลาพักแล้วกําลังของหินมีอ้อก็ตุ้มกันเลยเห ม, มือนก็มีดที่รับหินแล้วขาดเลยมันชัดในหัวใจไม่ลืมเสียงเรื่องเป็ น, เ ป, นเป็นสัจธรร ม, มพิจารณาขอเรื่องอะไรสัตว์อันนี้ก็เป็นมรรสันพิจารนา ที่เด็กก็เป็นสมุทายศสัตร์จะไปลืมไ่ได้ไงทํเหล่านี้ไม่ใช่ทําจะลืมก็ทําฝังลึกมากนี่เนะี่ยเม่อ้ผมคิดมันนักมั น, มนอดคิไม่ได้นะมันจะมีไม่มีแล้วก็กลับยกไว้เฉประเภื่อนเกียวว่าภาวนาแม่พญ า, านถ้ามีอะรเรียนล้วนๆจำมาเรียนจามาจากเรียนล้วนๆ ดีไม่ดีจ้าเห็นว่าภาวนาเนี่ปัญญานี่เป็นธรรนอกแบบไม่มีในพุทธศาสนจาจะว่าไปเพราะคนเราเคยคิดไปเลยอย่างทางสมองสมองคิดนี่งนั้นเอยนี่นั่นนี่จะสมองสมองเปอย่างที่ว่าอันนี้เรื่องทางด้นนานโนไยไม่ได้ออกสมองนี่คือมีเราเนข้าม เ, เหมือนกับว่ามเหมือนกันแตพูดตามความจริงถ้าเป็นความจำขึ้นสมองหนึ่งหรือถ้าเป็นความจริงคือภาคปฏิบัติ เพื่อความสงบสมาธาิพัฒนานแล้วจะลงในนี้หมดเลยนั่นก็มันเป็นอย่างนั้นนี่จะให้ว่างไงนั่นี่เทนบราโบฟิตขอพูดเต็มปากเถอะว่างนี่างไรเหมือนเป็นวิธีจะให้พูดว่างไนมนก็อาจถามที่จะพูดที่ก็ความจริงทํำไมพูดไม่ได้แต่ของปลอมมันยังเป็นมาได้ความจริงเป็นออกมาไม่ได้ได้อยู่สงบมันก็อยู่นี่สงบมากน้อยอยู่นี่ผ่องใสเลยขนาดไหนมันี่เห็นม อ, อยู่กลางนี่มันไม่ได้มันอยู่นี่ ปัญญาหมุนติวติวทั้งวันทั้งคืนเป็นธรรมจักรมันก็ไม่ได้อยู่ข้างบนนี่มันเห็นอยู่กัฉันจะให้พูดไปยังไงก็จะได้ว่าสมองได้ไงทีนี้เวลาเรียนเหนังสือเรียนไปให้มันจดมันจําจนกระทั่งสมองถือนี่มันก็รู้อยู่สมองไม่ทํางานให้ไม่จํำให้มันก็เห็นอยู่เวลามาปฏิบัตินีิสตดสมถะคือความสงบใจมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่นี่เห็นเด่นสงบแน่วส่างใสสะอาดโอ้พูดไม่ถูและ มันก็อยู่นี่จนถึงขั้นบัญญาแผ่วพาวแผ่วพาวแผ่วพาวส่งออกส่งออกจึงมนเหมือนตะเกียงจะาปายุอย่างที่ว่านะร่างก า, งายเวลาันเป็นเหมือนับแก้วครอบจิต ด, ดวงที่มันสว่างกระจ่างแจา้งอภายในใจนี่มันเหมือนกับไส้ตะเกียงเจ้าพายุมันส่งจ้ามาหมดอันนี้เหมือนกับว่าไม่มีร่างความสว่างมันจ้ามันอยู่นี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างบน เห็นช้าขนาดนั้นก็จะไม่พูดได้ยังไงก็จะวาบ้ากว่าไปที่เหล่านี้จะว่าเราอวนแล้วใครจะว่าว่าไปเอ๊นี่ก็ดีคนเราไม่อวดเราพูดต่มันเป็ี่ยนไปเป็่นว่าเราเป็นอยู่ว่างี้่ว่างี้หรือใครจะว่าเป็นป่าอูเนี่ยมันอาลัยินเป็นเนาะมันอาจจรย์จริงนะมันลำว่างต่างแจ้งเจ้าของเองอัศจรรย์เจ้าของ ที่ผมเล่าฟังกัน่าที่ว่าโอ้โหจิตตั้งไปถึงได้สว่างข่าดแจ้งขนาดนี้อริยสัจรรขนาดนี้นี่แปลกยู่นะ่าละพระธรรมท่านเตือนขึ้นมาสอนขึ้นมายังจับไม่ได้นะขนาะดูที่นี่นี่ละคือว่าอวิชชาฟังไหขนาดไหนโอ้แล้วขนาดนั้นพรนะพุทท่านกำลังทำประทับเช่นว่าโอภาสอะไรทอะไรอะไรอุบัิเหตุทห แต่เมื่อเราพูดถึงต้องทําขั้นนั้นยังก็ก็นี่แหละที่ว่ากษัตริย์วัตตะทําให้หลวงนั้นเพลินขนาดนั้นเพี้ยนอัศจรรย์ฟังอ้าวก็เวลาท่านถามไปแล้วอันนี้มันไม่มีนี่อันที่ว่าแหมจุดนี้ทำไมถึอาศจรกยนมากมันบรรลัยไปแล้วกันหมดแล้วสิ่งที่ ที่มนะีมันเลอะ ก, กว่านี้จะขนาดไหนนะมันก็ยิ่งเท่าอันนี้ยิ่งเท่ากับกองขี้ควายกองหนึ่งเลยขี้กระครอบแก้วหรือครอบทองคําทั้งแท่งไม่เนี่ยปิดไว้อย่างนี้นั่นถ้าว่าอันนั้นจะเร็วกว่านี้กับเป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็อันนี้มันอัศจรรย์ในขนาดนั้นจนกระทั่งเจ้าของหลวงหลงเทินโอจิงทำมถึงได้อัศจรรย์ขนาดนี้ผ่องใสสว่างกระจ่างแจ้งในขนาดนี้นเท่วนะ น, นั้นนั่นน่ะ ไม่หลงไม่ติดมันจะไปอาจารย์เหรอเฮ้ย อ, อันหนึ่งทําตั้งกต่เตือนที่กลัวจะเราจะหลงจะติดเนี่ยพูดง่ายๆทำตั้งแต่เตือ น, ะนขึ้นมาเต้นขึ้น ม, มาตรงนี้พอกําหนดดู่ก็ เ, กดเดี๋ยวกับผึ่งขึ้นมาคําว่าจุดว่าต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนว่านนะนั่นแหละคือตัวพบก็โธ่มันถูกทฤะมันนี่มันก็ไม่ลืมคําว่าจุดว่าต่ำแห่งผู้รู้อยู่ ที่ไหนนั่นแหละคือตัวผก็ต่อมก็จุดพูรู้ก็จุดเด่นนี่จุดสว่างเนี่ยจะเป็นอะไรไปเนี่ยจุดสว่างมันเป็นเหมือนกับเกี่ยงจะพายุเราใส่ะเกียงออยแล้ ว, เ, ลวเห็นอยู่นั่นจุดที่มันสว่างออกมากรนั่นนี่มันก็เห็นอยู่นี่สว่างมันเห็นอยู่เด่นเด่นเฮเวลาอันนี้มันพังไปหมดแล้วมไม่มีอันที่ว่าจุดนเนี่ยจุดสว่างไม่มีแต่ที่อันหนึ่งที่ที่ ที่ถูกกว่านี้ข้อไว้อย่า่ที่เราว่อันอันอัศจรรย์เนี่ยข้อไว้น่อันนั้นคืออะไรปเอ้าอีละที่นี่มันมันการมาเห็นนี่เป็นกองขี้วายไปได้นั่นนั่นฟังซิมันขนาดไหนอันนึงจนกระตั่งอย่างนี้เหมือนกับอะไรฟ้าดินถล่มต่นเตนอุทานโอ้โหโอ้โหนั่นหลงมาขนาดหนักนั่นโอ้โหในขาะเดียวกันกับอัศจรรย์นันนั่นมันลงอันนี้ก็หลงมาขนาดหนัก นี่ก่อนหน้าทุเรียกเองเนี่ยอาจารย์นั่งที่นี่เป็นมันก็เป็นอุทานด้วยกันทังสองมันขึ้นมาอุทานคนด้านๆอุทานของความห ล, ง น, ล ง, งนี่ก็หลงพีพนาเดินไปเสกขกองขี้ควาย ว, ว่าเป็นของอาจฉริยะนัะ่นพออ น, นี้ผ่านลงไปแล้วก็โอ้โหนีอกองอาจารย์ตรงนี้เนี่ยก็ไปนะเด็เช่ น, <rí> e> นี่ที่ว่าอาจารย์พริเจ้าไม่มีผู้บอกเลยออก เปิดออกเปิดออกล้วนล้วดเร็วซะด้วยนะหละนะในคืนวันเดียวเลยทั้งสมาธิปัจจนาสงบนั่นก็หมายถึงว่าท่านไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นเรื่องของโลกเลยมีแต่เรื่องทํานล้วนล้วนวนสมาธิปัจจนาของผู้จะเป็นคิดปัญญาเป็นไปด้วยกันได้เร็วพคมผ่องๆอยู่ในวงนี้ความสงบอยู่ในวงนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรอยู่นี้นล้วนล้วนลวนแล้ก่อนพวงก็สงบอยู่แล้วนี่ แล้วนั่นเป็นภาษียากําลังอ น, นั้นอยู่ด้วยนะไม่มีกําลังอะไรทางนั่งกายที่จะต้านทานนะพระทรงอดพระกระาหารมาตั้งทลายวันมาแล้วนะ mm. พอสวยก้าวมันดูวิญาธาท่านมีกําลังขึ้นมาทางนั้น mm. กําลังอนี้จริงพอดีพอดีถ้าษีร่างท่านก็กําลังอ่อนอยู่ไม่มีกําลังทางจะเป็นเครื่องเสือนี่เดือน่าจะนิดหน่อยอ mm. ่ะพอก้าวทางถูกนี้มันก็เผึงเลย ทำให้คิดไปมนแหละไม่ชอบบ้าไม่บ้าจ่งคืออันนี้เราก็มาเทียบถึงเรื่องการอดอาหารของเราเพออดตั้งแต่อดตายนี่ทั้งนั่งกายนี่ซึ่งเป็นเครื่องมือกิเลสมันอ่อนตัวลงอ่อนตัลงเครื่องมือก็ขาดเพราะกิเลสเขาขาดเครื่องมือที่ใช้ให้ทันใจได้อย่างใจที่การทำมันก็กล้าขึ้นได้ตอนนี้แม่มันเป็นข้อเท็จจริงข้าพระพุทธเจ้าท่านทรงอดกายนั่นถ้าท่านสรงบาเพ็ญ ทางพิจารณานในขณะนั้นยังไงรู้วะเนี่ยเนี่ยมันจะไปได้านานกว่านั้นแไปได้อย่างรวดเร็วกว่านั้นเนี่ยนันก็คิดอดคิดไปไม่นด้นะแต่นี่ท่านทาสักอย่างหนึ่หวังความตัดเจากการอดกระยอาหาอย่างเดีย ว, วมากกายยยววันจะไม่เปลี่ยนไว่าท่านว่าเราลราอดกรหายนี่เราไม่ภาวนานนก็ไม่เป็นท่าอะไรนี่ยแต่นี้มันผิดกันตรงที่ว่าอดเพื่อความเพียรพิจารนาน ถ้ามันจะช่วยกันสนุกสนุกกันให้เห็นทัดทัดไปทัดเวลาเรามันจะตายจริงนะมันจะไปไม่รอดเดิมีสบาดมันก็ได้กําหนดมันจะถึงหมู่บ้านเขาหรือไม่ถึงหนแล้วบางทีเราแล้วเทนี้กินมันไม่เป็นย่างงั้นเลยร่างกายมันจะตายแต่กินนั้นมันมันเป็นอีปแบบหนึ่งเหมือนจะห่อเฮือนคว้านน่ะมันไม่อยากฉันกินน่ะถ้าฉันแล้วมันไม่ มันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นนะูุณทำงานอันนี้มันพิเศษพิเศษมันนํานภาษาข้าเหมือนอย่างนั้นน่ะแต่นีข้าวมันก็เป็นของกำกับเป็นสำหรร่างกายร่างกายมันก็เป็นเครื่องมือขนาดที่ยอมเปลนธรรมเนี่ยมันก็แยกกันไม่ออกเลยแล้วก็ตจำจำเป็นต้องไปนี่มันเห็นได้ชัดอย่างนี้ระหว่างจิตกับกายเมื่อเราได้บงเพ็ญธรรมจะยึดแต่ภาวนาไปด้วยกันมันเห็นได้ชัดทั้งสองอย่างอำนาจของจิต มันก็เป็นอย่างนดีถึงถึงไม่มีคํามาอ่อนมันยิ่งดีดคํามสว่างาากระจ่างแจ้งก็ยิ่งสแสดงเต็มที่เต็มฐานร่นางกายก็ยิ่งอ่อนลงไปน่ถ้าไม่กินมันก็จะตายมันจะไม่ถึงจุดถึงแดนมันก็ต้องให้กินน่ะแนะ่หน้าเรื่องมันอะไรก็เถียงกัอนอยู่อันนี้ผมไม่ลืมนะทีเ่เมันโผล่ขึ้นมานะ่ะอันนี้ผมผมก็แน่ใจว่าไม่ใช่ธรรมอันนั้นเป็นธรรมที่ว่าถ้ามีจิตมีต่อครู๊ป อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพกมันท่านกลัวหลงพระธรรมท่านเตือนให้ดูตรงนั้นน่ะพูดง่ายมิจฉุนยิ่ต่ อ, จจอดูตรงนั้นถ้าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะใส่ฝังนั้นแล้วมนน่าจะไปได้ตั้งแตนะ่นู่นนี่ใครสอนไปที่นี้นะลาบากนะทางเขาจะใส่เปียกของ ล, ลงนั่นเลยเราก็รู้ทันทีขาดสะบัดไปเลยนะเนี่ยไม่ไมรู้นั่นเลยงงไปหมดเหมือนไกต่ตาแตกมา อันนี้ีอาแล้วนะ ว, ว่านี่มันพูดเรื่องอะไรลืมแล้วมันจะเป็นข้อผิดใช่เรื่องใจมันเวลามันสว่างมันสว่างขนาดนั้นนงี น, น, นามากมีละนิทานตานานภาพมากมันเกินกว่าที่เราจะไปยุ่งกับอาหารมาันคุณง่ายดี่างนี้มันก็พอกินแล้วแต่ทีนี้นมันจะไปไม่ตลอดที่ถ้าไม่กินถ้าขัน ไไมันไปมันตลอดที่ทาไงก็เป็นเครื่องมือเพื่อทำาวางเพียรอันนี้ก็จะไปได้ยังไงเน่ตองดูันนีเออเออลืก็มาลิมได้ที่ว่าอันนี้ก็โผเหมือนกันอ่านี่เห็นไหม ท, ท่านอดข้าวเพื่อจะข่ากิเลสท่านอดข้าวเพื่อจะข่ากิเเวลานี่กิเดสยังไม่ตายท่านจะตายก่อนเห็นไหม <laughs> เหนอขึ้นเห็นไหมอย่างนั้นแล้วขึ้น เราไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไม่ได้คิดอะค่าเลยมันมันผุดผุ ด, ผ, ด, ผ, ดผุดขึ้นมาอย่างที่ว่านั่นแหละเรียกว่าทําผุดทำไม่ผิดมีต่างก็ดูอย่ไหนท่านแหละคือจะพบผุดขึ้นมาเป็นเป็นเนพอเสียได้เงียบเลยอันนี้ก็เหมือนกันผุดขึ้นมาเพราะวโดยที่เราไม่ฆ่ามันฝันไม่เลยนะนี่ท่านเห็นไหมท่านอดฆ่าจะจะฆ่ากี่เดชแต่เวลาไม่กีเดชยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนี่นะนี่นี่มันจะแก้กันปุ๊บเลยนะอันนี้ อาก็กินก็กินมาตั้งแต่วันเกิดจนอดก็ม่เห็นที่เสียที่สอะไรจะอดจนตรนี้จะตาก็ตายไปสินานมันแก้กันกาลังของอีกไม่ลดไม่กลัวว่าเจ้าของจะตายตังที่เด็กมันหลอกอาจะตาก็ตายไปสิอให้เพีท่นี้ก็จะตายก็ตาสิเคยกินมาตั้งแต่ันเกิดเลยมันตั้งถึงบานี้ก็มเห็นีเสียที่สอะไรจะอดจนตอนนี้จะตาก็ตายไิเนี่ยมันแกปั๊บเลยมันก็พุ่งเท่าเดิม อะไรโบนิฮ่าฮ่าฮ่นี่น่ารักทุกตัวเลยนะก็นำแบบน้ำแบบอะไรนะอะไรยคร็ว